คนป่วยไปอยู <qued an> ่ไกลเมียจกมือสองมือก็เศร้าดอกโนวินเนาะคนป่วยสังเกตดูคนที่มาทำงานในวัดพอป่วยปั๊บกลับบ้านแสดงว่ากลับไปบ้านแล้วใกล้กำลังใจแล้วมันโรคมันหายให้รักษาที่สกลก็ไม่เอานะอไปนั่นะไปบ้าน รรู้แล้วโรคทางกายทำใจเลยฝึกใจเรานี่แหละโอหดูคนเราเนี่นะจะรับมือกับเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยที่มันประเดประดังเข้ามาเนี่ยจิตมันต้องมีกำลังมันต้องมีความเข้มแข็งนะมันต้องฝึกทุกด้านนะทุกอย่างเลยนะเอาทุกอย่างมาเป็นเครื่องฝึกนะไม่ใช่อะไรมาจะอ่อนแอเรียกร้องความเห็นใจเอ้แย่แล้ว ตายแล้วเนี่ยอย่างนี้มันอ่อนแอเนี่เป็นนู่นเป็นนี่แล้วมีแต่อยากจะเรียกร้องความเห็นใจนี่ความอ่อนแอมันต้องปลุกจิตตัวเองสิยกจิตตัวเองขึ้นมามีใครบ้างเกิดมาแล้วไม่ตายมีใครบ้างเกิดมาแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แล้วเราเป็นใครมาจากไหนแล้วจะไปทุกข์ไปทำํำไมทุกใจร่างกายมันก็ไม่ได้ดีขึ้นยิ่งหนักกว่าเก่าซ้ํา เอาให้ป่วยแต่ร่างกายใจต้องไม่ป่วยแบบนี้มันก็เข้มแข็งสิอย่างพุทธเจ้านี่ท่านเป็นแบบนี้นะท่านป่วยนี่ออกมาเลยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถึงร่างกายเราจะป่วยจะไข้แต่จิตของเราไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้ด้วยถึงร่างกายเราจะออดออดแอดแแต่จิตเราไม่ได้ออดออดแอดแด้วยดูสิประกาศให้เห็นเลยเนี่ยจิตเป็นอิสระเลยจากร่างกายนี่คนเข้มแข็งมันต้องอย่างนี้มันก็เป็นความจริงด้วย จะไปอ่อนแออ้อยอ้อมันไม่ได้เรื่องคนนั้นคนนี้เกิดขึ้นมาเอาคนนั้นเป็นนั่นคนนี้เป็นนี่อันนั้นอันนี้เอาก็โลกนี่ละโลกใบนี้มันเป็นอย่างนี้แหะทุกคนมีกรรมเป็นของของตอนเขาทำกรรมมายังไงมันก็ทาไปเราควรเกี่ยวข้องไงนี่สำคัญตรงนี้นะเราควรเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไงเกี่ยวข้องไปแต่ใจเราต้องไม่เป็นทุกข์ทุกข์ก็โง่ทันทีเลยนะ ก็รู้อยู่แล้วความจริงอะเขาก็มาตามกรรมของเขาไปตามกรรมของเขาสร้างกรรมมาแล้วเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกไอ้กรรมในอดีตนั่นแหละที่มันขอบงําเราอยู่เพราะนั้นกรรมในปัจจุบันนี้ต้องมาปฏิบัติตามคําสอนของลูกเจ้าหาทางออกเท่านั้นทางออกมันมีอยู่เมื่แต่อะไรมาก็จะทำอ่อนแออ้อยสร้อยอ้อยอิงทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เมื่อมันโง่ถ้าธรรมะมันพูดเลยว่าทุเลตทุเลตคือทุเลศ์ยังไงมัน โอ้มันไม่จั่วยังไงมันไม่มันไม่เข้าท่ามันไม่ควรจะเป็นทุกข์ก็ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นี่มันไม่เข้าท่าแบบนี้นะมันจริงว่ามันใช้คําว่าทุเลตคือไม่สมควรเป็นทุกข์ก็ไปทุกข์นี่มันทุเลตสมควรจะรู้ก็ไม่รู้นี่มันทุเลตเนี่ยมันเป็นอย่างงี้นะเพราะฉนั้นอย่าทําตัวทุเลตยกจิตตัวเองให้มันเข้มแข็งมันมันสูงขึ้นมาสิอย่าไปจมอยู่อะไรกับเรื่องราวที่มันไร้สาระอย่างนั้นน่ะมันเป็นความจริงมันเป็นธรรมดา คนไหนที่มันเลวนะนั้นละมันสร้างความเลวมามากความเลวนี่มันฝังเข้าไปในเนื้อในหนังในกระดูกในจิตใจของเขาเขาเรียกว่ามีธาตุแห่งความเลวร้ายมันยังไม่สามารถที่จะสร้างธาตุที่มันเป็นธรรมะขึ้นมาเนคข ม, มะธาตุจิตมันก็ไม่สนใจไม่ควรขวายไม่มีศรัทธาธาตุไม่มีวิทยะธาตุไม่มีสติธาตุไม่มีสมาธิธาตุไม่มีธาตุพวกนี้ มันมีแต่ธาตุเร็วๆชั่วๆเนี่ยแหละกรรมในอดีตของเขาเป็นอย่างนั้นเราจะมาปราถนัยเขาดีได้ยังไงองค์เขาทากรรมมาอย่างนั้นได้ขนาดนั้นได้ขนาดไหนก็เรื่องของเขาเราจะไปทุกข์กับเขามันก็ไม่มีประโยชน์แต่ควรเกี่ยวข้องไงเกี่ยวข้องแม้แต่เป็นภาคะก็เหมือนกันเวลาเขามาหามาขอโนเคนเนี่โอ๊ยเขาดูความรู้สึกเขามันอยากได้ดิ้นล้นอะไรที่พอจะเอาได้มันเอาหมดอ่ะพยานสุชาติ เาขาโงรงการอะไรอะ่ะที่เขามาขอเงินทำเรือนพ่อชํำทำน้ำปูทำอะไรของขอาจารย์อุ ญ, ญาติไปดูโอ้มันเอาหมดเลยครับอาจารย์เล็ ก, ล ก, ลกๆหน่อยนอตตัวหนึ่งมันก็เอาเขี้ยลงไปหมดเลยสแลนอันหนึ่งก็สักพันบาทหรือเอาอยางเก่งก็พั0สองมันใส่พ5 0หาแต่เราก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนั่นเดี๋ยวนี้แต่เราเคยไปเสื้อแ0ดรอพันเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่ขอมาสี่ม้วนก็หพัน ว่ามันมันเหนี่ยมันเพราะอะไรเพราะมันความอยากมันอยู่ในจิตหาเราควรเกี่ยวข้องไงเราควรให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้เพราะมันเรื่องของเราเราไปทุกข์กับเขาก็ไม่ได้อย่าไปโอ้ยทําไมมันเลวทําไมมันชั่วทําไมมันอย่างงี้นะโลกเราทําไมเป็นอย่างงี้โอ้ยไปโอดควรมันทําไมก็มึงมาเกิดทําไมเล่าก็เสือกมาเกิดก็เป็นอย่างนี้แล้ววะมึงก็ยอมรับซะซี่ทาอย่างงั้ก็ตายเสียจะได้หมดเรื่องเอเขาจะสอนให้มัน ให้มันแรงๆนะมันจะได้เข้าใจมันจะได้ไม่มาโอทขวนเอาเมื่อเกิดมาแล้วโชคดีขนาดไหนได้พบคําสอนของมุนทีเจ้าหาทางออกสิที่นี่เอาผู้เจ้าสอนอะไระเอาทําความดีความชั่วอย่าไปทํามันทําแล้วมันเดือดร้อนเดี๋ยวสะสมธาตุแห่งความชั่วร้ายความชั่วร้ายกับฝังลึกเข้าไปในเนื้อในหนังในจิตในใจเนี่ยมันก็คิดหาทางดีไม่ออกมันก็คิดชั่วชั่วทำชั่วๆอยู่งั้นแหละหมกมุ่นอยู่กับชั่วๆวตายมันก็ไปตกนรกไปอาบายภูมิ ขึ้นมามันก็ทําชั่วเรื่อยไปโอ๊ยกว่ามันจะได้คิดขึ้นมานะมันอาจจะบังเอิญหรือโชคดีอะไรได้ฟังธรรมะของพระเจาปั๊บมันเข้าไปในจิตในใจมันก็จากนั้ น, นก็จะเริ่มอยากจะทําดีกับเขาแค่นี้ไอ้พอเริ่มจะทําดีก็กรรมที่ตัวเองเคยทำเอาไวอ้อ่ะวิบากมันให้ผลนะที่นี่บีบคันโนนีตุกติกโอโยุ่งอุตลุดเลยก็ต้องอดทนละที่นี่ ร่างกายก็ถ้าใครเคยเบียดเบียนสาสตร์อื่นมาอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องโลภ ไ, ไข้ไข้เจ็บอย่างเงี้ยเคย ป, ประหารบานใส่ด์ื่นมาชีวิตมันก็สั่์ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะนั่นคนตายเร็วตายช้าเป็นเรื่องของเขาเพราะมันนี่มันเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของความจริงเรื่องของสัจธรรมใจเรานี่หนะเห็นไหมเอาความจริงมาสอนจิตให้มันยอมรับความจริงถ้ามัยอมรับความจริงเมื่อไรโง่ทันทีเลยโง่มากๆพอกันที่ไอ้ความโง่ หาทางให้จิตของตัวเองมันฉลาดขึ้นมานั้นนั่นต้องไม่อ่อนแอต้องเข้มแข็งก่อนจะตายไปนี่จะตายไปพร้อมกับความทุกข์เหลอตายพร้อมกับความทรมานเหลอแล้วจะไปอบายภูมิเหลือยอมเหลือทําจิตของเราให้เข้มแข็งอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดานุนบุญกุศลคุณงามความดีเราทำเอาไว้แล้วนี่มันพร้อมแล้วนี่ที่จะไปอะไปที่ดีๆอะพบภูมิที่ดีมาทําตัวเองให้อ้อยไสเอาละทีนี้ เวลาจะตายนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหะมันจะไปก่อนกรรมที่มันให้ผลตอนจะตายเนี่ยสำคัญที่สุดลองลองมาอาจินกรรมกรรมที่เราเคยทำบ่อยๆเราทำบุญบ่อยๆทาบุญบ่อยๆถ้าหากว่าเราเนี่ยทำจิตของเราได้นี่ทีนี้ก็นีน่แหละบุญที่เราทำบ่อยๆให้ผลแต่ถ้ารักษาจิตไม่ได้กรรมที่มันให้ผลในขณะใกล้จะตายตรงนั้นแหละให้ผลทันทีตรงนั้นให้ผลก่อนต่อมาอาจินกรรมกรรมที่เราทาบ่อยๆ ทำบุญบ่อยๆอย่างนี้เออหวังได้แล้วนั่นตรงสําคัญตรงรักษาจิตนะที่นี่ให้เข้าใจนะเรื่องจิตของเรา เ, เพราะนั้นอย่าฝึกให้จิตอ่อนแอบ่อยๆอย่าให้จิตเราเป็นทุกข์บ่อยๆเพราะต้องฟังธรรมะฟังคําสอนของพระเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทําจิตของเราให้เข้มแข็งเราเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งของเราได้แล้วก็เป็นที่พึ่งของเราได้ก็เพราะการฝึกตัวเราเองเท่านั้นด้วยถ้าไม่ฝึกก็พึ่งไม่ได้ ไม่ใช่อยู่ดูดีๆแล้วจะพึ่งตัวเองได้ต้นแลเป็นที่พึ่งของตนใครไหนเล่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วจับมีที่พึ่งอันหาได้แสนยากก็คือจิตตัวเองที่ฝึกดีแล้วคือจิตไม่อ่อนแอมีชีวิตอยู่ก็พยายามทําความดีสิ่งไม่ดีไม่อย่าไปทําเพราะทําแล้วมันบั่นทอนจิตเราทําให้จิตเราเดือดร้อนเนี่ยแหละทําให้จิตเราอ่อนแอทําดีปุ๊บจิตจะเข้มแข็งขึ้นมาโอ้เราได้ทดําดีไปทางไหน เขาพูดถึงความดีเราก็ได้ทำเอาไว้แล้วจิตเรามันก็เข้มแข็งถูกไหมทีนี้ไอ้จิตมันก็ยังชอบไหลไปกับอารมณ์ต้องจเจริญสติฝึกสติสุดท้ายต้อมาฝึกจิตต้องฝึกจิตเฮ้ยอย่างอื่นมันไหลสาระแล้วยิ่งคนอายุมากๆโอยมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยยังจะไปอยู่กับเรื่องไหลสาระอนี้นี่มันมันเหมือนกับไม่มีปัญญาเลยเลยต้องทิ้งเลยแล้วปล่อยได้แล้ววางในแล้วเรื่องแบบนั้นหันมหาแก่นส า, สารสาระของชีวิตนี้มาทําให้จิตของเรามีที่พึ่ง เหมือนกับว่าต่อไปนี้การเดินทางของชีวิตต้องดีขึ้นอย่างเดียวจเจริญขึ้นอย่างเดียวเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นเครื่องมือฝึกจิตเราให้เข้มแข็งให้จเจริญก้าวหน้าเนี่ยคนจะมีจิตใจเข้มแข็งต้องฝึกทุกอย่างต้องฝึกทุกอย่างมาอยู่ที่นี่ก็ฝึกเหมือนกันนะโอ้ยแรกๆปัญหาเยอะนะกุมลุ่มเข้ามามีปัญหาอะไรมาเนี่เราบอกให้ทุกคนภาวนาเรารับมื อ, อแล้วเรายัางไี้ลับมื อ, อยังไงเราก็ไม่ได้มีอะไรนั่งสมาธิเข้าไปหาจิต ไม่มีอะไรนอกจากธรรมะจากพิสูจน์สิว่าธรรมะนี่กับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอ่ะแล้วมันชนะกันได้ยังไงขอทําสิ่งที่มันถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องไม่ทําเปิดจิตขึ้นไปมองดูเอาจิตมองดูรอบๆมันรู้เลยอะไรไม่ควรทําอะไรควรทําอ๋ออันนี้ทําแล้วมีปัญหาแน่ๆอย่าไปทําตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยทําทมันบอกหยุดไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันนี่คือจิตผุกฝึ ก, กแล้วมันมีที่พึ่งพึ่งอะไรไม่ได้มองหาอะไรไม่เจอ มีแต่ทำในใจตัวเองยกขึ้นมายกขึ้นมาเปิดเผยประกาศให้โลกโลกนี่คือหมายว่าโลกที่ตาเรามองไม่เห็นนั่นแหละดูได้เลยนี่แหละนี่แหล ะ, หละธรรมะจะพิสูจน์แล้วถ้าธรรมะมันมีคุณค่าจริงมันประเสริฐจริงมันอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างจริงธรรมะต้องช่วยเราได้เอาละทีนี้มันก็จะมีอยู่ว่าอะไรควรทาก็ยังมีอีก ไม่ใช่ว่าเออทาตรงนี้แล้วทิ้งไม่ทําอะไรเลยมันไม่ได้นะเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันสิ่งที่ควรทํามันมีอยู่อะไรไม่ควรทํามันมีอยู่เพราะมันไม่ควรทําไม่ทําสิ่งที่ควรทําทำํำต้องบังคับตัวเองด้วยแล้วที่สําคัญก็คือรักษาจิตตัวเองพยายามฝึกจิตตัวเองให้จิตมันมีความเข้มแข็ง เ, เอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องมือฝึกจิตอ่อนแอไม่ได้ปัญหามาเอาเลยนี่แหละมันไม่ใช่ปัญหาเน่ยนะเครื่องมือฝึกจิตถ้าเราแก้ปัญหาได้ปุ๊บเปลี่ยนเป็นปัญญาทันทีเลยนะ ความทุกข์เปล oh ี่ยนเป็นความสุขเลยยิ่งทุกข well, oh, ah, ์มากยิ่งสุขมากโอ้โหไม่ได้มีอะไรเลยนะเนี่ยปัญญาเราเข้าไม่ถึงเฉยๆเราก็เลยมาคิดปรุงแต่งให้เป็นทุกข์เนี่ยมันก็เห็นความโง่ตัวเองอีกโอ้เนี่ยเราเนี่ยมันก็ยังโง่อยู่นะเนี่ยยังทุกข์ได้อยู่ทีนี้ทุกเรื่องเลยทีนี้มันเห็นมันรู้แล้วมันปล่อยได้หมดปล่อยได้หมดปล่อยได้หมดไม่มีอะไรเป็นทุกข์ได้อีกต่อไปไม่ทุกข์อีกต่อไป มันเหลืออย่างเดียวทีนี้เรามีชีวิตอยู่มันยังอยู่ในโลกก็เกี่ยวข้องไปทีนี้ในโลกเรานี่มันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีสิ่งแวดล้อมมีทั้งดีไม่ดีแล้วทํำยังไงไม่ดีมาก็รู้ว่าไม่ดีควรเกี่ยวข้องยังไงเน่ขาแค่นั้นเขาไม่ดีก็ไม่ดีไปสี่แต่เราควรเกี่ยวข้องยังไงเพราะจิตเราไม่มีอะไรแล้วไม่สนใจกรรมเขามายังไงก็ไปอย่างนั้นแหละเราไปแก้เขาไม่ได้แต่เราควรเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรเขาว่าไปตามนั้น ตายแล้วก็แล้วไปนี่คือชีวิตแล้วพุทเจ้าก็บอกเอาไว้เรียบร้อยเลยนะดูก่อนทิกศทั้งหลายในชมพูทวีปนี้หมายความในโลกเหล่านี้สถานที่นี่พูดถึงสถานที่ก่อนสถานที่ที่น่าลื่นลมน่าอยู่น่าอาศัยอยู่อาศัยได้มีน้อยสถานที่ที่มันอยู่อาศัยไม่ได้คูู่่ขาขาเป็นอันตรายมีมากชั้นใดคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นคนดีก็มีน้อยคนไม่ดีมีมากดูสิ ให้ยอมรับได้เลยถ้าเรายังบนโลกอย้านี้จะไปบอกว่าเมื่อไหร่คนจะดีเมื่อไหร่คนมันจะสงบมันจะเรียบร้อยมันไม่มีทางหรอกเพราะมันเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้จิตมันเป็นอยู่แล้วเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยคนดีมีน้อยคนไม่ดีมีมากแล้วจะให้อยจาคนไม่ดีดีดี ด, ด, ดีมันดีไม่ได้เราก็มารักษาจิตเรารักษาจิตเรายอมรับความจริงเรามาเกิดแล้วก็ต้องหาทางไม่มาเกิดนั่นคือทางออก ทีนี้โลกเขาก็จะสอนว่ามันต้องช่วยสังคมอย่างงั้นอย่างนี้แล้วช่วยกันยังไงทําทำไมโลกเรามันถึงเดือดร้อนอยู่อย่างเงี้ยทให้เป็นหาอย่างงี้ก็ช่วยกันแก้มาตังหลอดยิ่งแย่กว่าเดิมอีกวิกฤตของโลกมันก็เสื่อมลงไปเสื่อมลงไปเพราะอกุศลมันในจิตมันมากแก้โยโๆเหรอกับแก้จิตอย่างน้อยมีคนมาแก้จิตให้เห็นโอ้ยแก้จิตแล้วมันสงบมันเยือกเย็นมันสุขมันสบายเป็นตัวอย่างก็ยังดีกว่าดีกว่าที่มันจะจมไปด้วยกันหมดเพราะฉะนั้น สรุปแล้วถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ต้องพยายามฝึกจิตของเราเอาธรรมะของพระเจ้ามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตฝึกใจของเราอย่าให้จิตของเราอ่อนแพ้อย่าให้จิ ต, ข อ, อจตของเราไหลไปในทางที่จะเป็นทุกเวลามันจะคิดไปทางไปทุกหยุดเลยหยุดหยุ ด, ยดได้หยุดอย่าไปอ่อนแอนะอย่าไปอะไรอาบอ์มันกลายสิ่งทําให้เป็นทุกยังจําได้ตอนที่ไปบ้านไทยใหม่ๆเปน็นนครปฐมอ่ะ มันมีคนหนึ่งเขาถูกลดเฉียวแล้วขาเขาหักสองข้างช่วยตัวเองไม่ได้อ่ะต้องมีเครื่องมือแล้วเวลาจะเข้าหนะ้องน้ำมันมีคนประคับประคองไปไหนมาไหนมีคนประคับประคองมันก็คงว่าไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละเราก็ฉานข้าเสร็จแล้วแกก็เข้ามาคนเดียวนะกระดึบ๊บกระดึ๊บมานั่งอยู่พอสมควรท่านอาจารย์เจ้าคะความซึมเศร้านเนี่ยนี่ยแสดงว่าเขาซึมเศร้านั่นเนี่ยจะตัดมันเลยหรือว่าจะดูมัน เขาสามสองคำถามเราบอกจิตเข้มแข็งตันเลยนั่นถคนเข้มแข็งต้องตันเลยไอ้ซึมเศร้ากับจิตมันไม่ใช่อันเดียวกันไอ้ความซึมเศร้ามันจะค่อยๆค่อยๆเข้ามาใจเราอ่อนแอก็น้อมไปน้อมไปทางซึมเศร้าซึมเศร้าคือไม่ได้ใจแล้วมันก็เลยทําอาการซึมเศร้าออกมาไม่ได้ใจอยากให้เป็นอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างหนึ่งมันก็เจะร้องให้ลำพึงลำพันซึมเศร้าเงาหงายเนี่ยมันมาจากไอ้ตัวเนี้ยตัวไม่ได้ใจเนี่ยเขาเรียกตัวโทรศัพ มันไปทําให้เกิดซึมเศร้าถ้าเข้มแข็งไม่ซึมเศร้าไปกระมันตึดเดียวเท่านั้นแหละหลุดตึดเลยแต่ถ้าจิตเรายังไม่เข้มแข็งพอตัดยังไม่ได้ดูไปดูไปเดียวมันจะดับเองวันที่สองมาเห็นหน้าเขาพองสใยเลยนะเนื้อเขารู้วิธีแล้วนียแล้วพระเจ้าก็บอกด้วยสอนด้วยดูก่อนพิกษุทั้งหลายจิตของทุกคนประพัฒสอนอยู่แล้วหมายว่าในธรรมชาติของจิตทุกคนนะ่ยมันพองใสยอยู่แล้ว เราดูได้เลยเนี่ยถ้าไม่มีอะไรมากุ้งลุมันผ่องใสอยู่แล้วจิตเราผ่องใสสงบเยือกเย็นสบายมันเศร้มองเพราะอุปกิเลตเป็นอาคันตุกะจรเข้ามามันเศร้ามองเพราะแขกจอนเข้ามากิเลสเป็นแขกจรเข้ามาเพราะนั้นกิเลสไม่ใช่เรามันเป็นแขกเราอยู่ไปทําตามมันมันก็จบแล้วมันมากดูมันเดี๋ยวก็ดับดูมันเดี๋ยวก็ดับเนี่ยคนที่เป็นลูกพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าคนนั้นพอเขาป่วยถ้าไม่ป่วยก็คงไม่สนใจศึกษาเรื่องจิต พอโดนรถเฉี่ยวเพราขาหักไปไหนไม่ได้แล้วก็ทํายังไงดีอ่ะมัวแต่ปล่อยไปตามความคิดมันก็ทุกข์อย่าสิขาก็หกักทําอะไรก็ไม่ได้แถมยังจะมาคิดนึกทําให้ตัวเองเป็นทุกข์อีกสุดท้ายมันก็บังคับบังคับก็ต้องหาทางมีสติรักษาจิตไว้ไม่ให้มันไปเนื่ยไหมเราจะไปรอให้มันบังคับอย่างนั้นเหรอก็ฝึกมันเลยไม่ดีกว่าเรายังพอมีเรี่ยวแรงพอฝึกได้ฝึกมันเลยเข้มแข็งขึ้นมาเลยถ้าเข้มแข็งขึ้นมาอารมณ์ไม่ดีมันก็ดับไป เพราะฉะนั้นเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องให้ธรรมะของมุตยเจามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจเราให้ได้รับประโยชน์จากคําสอนของมุทิเจ้าให้ได้มันถึงจะคุ้มค่าส่วนใหญ่เรื่องบุญเรื่องอะไรนี่มันก็ทํากันได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นของภายนอกอ่ะให้ทําบุญไปมันก็ยังทุกข์อยู่ะบุญมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอะ่างเออสบายใจตอนได้ทําหรือคิดขึ้นมามันสบายใจบ้างเนี่ยมันก็ยังช่วยได้บ้างแต่เวลามันมีเรื่องหนักๆมามันเราไม่อยู่ เพราบุญนี่มันเป็นฝ่ายยังทําให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่มันต้องมาปฏิบัติจิตจเจริญจิตนี่เรื่องทำบุญมีมากมีน้อยทําไปตามกําลังมันไม่เป็นไรอ่ะเรามีน้อยเราก็ทํตาตามน้อยไม่มีแล้วแล้วก็เนี่ยบุญมันก็มีได้หลายทางนี่นะโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าก็สอนเ่ยบุญรวมลงที่สติสติคุมจิตเป็นสมาธิสมาธิแค่สูดดมของหอมเข้าไปอึดใจเดียวเท่านั้นนะ่ะบุญมากกว่าให้ทาน มากกว่าวิหารละฐานสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดสร้างว่ามากกว่ารักษาศีลอีกแน่มันเป็นขั้นเป็นลําดับมากกว่าถึงไตรสนาคมมากกว่ารักษาศีลพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้หมดแล้วความสําคัญตรงเนี้ว่ามีสติรักษาจิตจิตเป็นสมาธิสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาเนี่ยบุญก็มากยิ่งเห็นอนิจจ์เห็นอนิจจสัญญาเมื่อมันไปเห็นความเป็นอนิจยงความไม่เที่ยงมันจะไปจำนะที่นี่ตัจวจิตเราแต่ก่อนมันไปจําแต่ เห็นอะไรสวยงามก็สวยงามนี่เหมาะสําหรับเราได้มาแล้วจะเราจะดีดูสวยดีมีความสุขสนุกสนานได้แล้วมันจะมีความสุขนี่สัญญามันผิดเนี่ยสัญญาผิดมันหลงว่าเป็นตัวเราจะทําตัวเราให้มีความสุขคราวนี้เอาจิตมาฝึกมาฝึกต้องเจริญสติจิตเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิมันเริ่มเห็นอันนี้เกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับปั๊บนี่อันนี้จะสัญญาพอเห็นบ่อยๆว่ามันก็อนัตตสัญญา จำได้โอ้ไม่ใช่เราเ อ, อไม่เที่ยงโอ้ไม่ใช่เล่านี่สัญญาจำแล้วมันจะล้างสัญญาผิดผดความเห็นผิดผิดออกไปมันเห็นถูกขึ้นมาเบาเลยทีนี้อะไรมาโอ้เดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไม่เป็นไรอะเราก็ตายเหมือนกันไม่เที่ยงเนี่มสบายเลยเบาเลยเนี่ยสัญญามันถูกต้องแต่สัญญาผิดผิดเนี่ยโอ้มันมันมั น, มนบีบคัานจิตใจมันเดือดร้อนหลุมร้อนเอาสํารวจจิตใจสักหน่อยนะตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าเลยนะ กว่าจะได้ยินได้ฟังธรรมะของมุตเจ้าไม่ใช่ของง่ายๆเลยต้องมีบุญมากๆเลยนะเนื้อเรียกว่เนคขมาธาตุมีธาตุดีธาต่ออกจากใไอพวกกามพวกอะไรที่มันเราเคยเป็นธาตุมันอ่ะเอาจิตเราออกมากลับเข้ามาอยู่กับภายในเนี้ยก็เรียกเนคขมาเนคขมาสุขมาสุขในเนคขมาสุขด้วยการออกจากกามเอาจิตเราออกมาออกมาแล้วเข้ามาอยู่กับตัวเราเข้ามาอยู่กับตัวเราเนี้ยเนเราสุขเนคขมาสุข พอมาอยู่ในสมาธิสมาธิของเรามีคุณภาพขึ้นมาตั้งมัน่นคือมาแล้วคราวนี้ก็เห็นความจริงเห็นความจริงคือเห็นว่ามันไปเที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตของเราก็ได้คายออกคายออกคายออ ก, ออกนะเนี่ยจิตมันสูงขึ้นอย่างนี้นะแล้วการฝึกจิตโอ้โหมันต้องฝึกทุกด้านเลยนะมันไม่ใช่ว่าจะมาเอาแต่เดินอยู่กมันั่งภาวนานะไม่ใช่มาเข้าวัดแล้วที่มาฝึกนะอยู่กับบ้านกับเรือนเรานี่แหละทําอะไรอยู่นี่แหละฝึกเลยก็เราไม่อยากมีทุกเนี่ยนะส่วนใหญ่คนที่ได้ผลเนี่ยมันหมายว่าฝึก เอาทุกอย่างเป็นเครื่อมาฝึกจิตไม่จิตตัวเองอ่อนแอต้องจะเอากายเราเอาจิตแล้วบูชาพระเจ้าเลยตั้งหลักเลยตั้งหลักบูชาพระเจ้าให้มันตื่นนะจิตของพระเจ้านี่ตื่นตลอดนานรู้ตื่นเบิกบานด้วยพอเราเป็นสาวกเอาให้ตื่นก่อนเลยตื่นตัวรู้สึกตัวทีนี้นี่แหละบูชาได้มากได้น้อยไปยให้รู้ให้ตื่นทำยังไงก็ได้ให้มันตื่นรู้ตัวตื่นตัวอยู่ข้างในเนะนี่ยนี่เราบูชาอย่างแท้จริงเลยนะ พระเจ้าเดียวปฏิบัติบูชาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบูชาเราตาตาคตมีสองอย่าง1การบูชาเราด้วยดอกไม้ธูปเทียนข้าวของเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยเรียกอมิตรบูชาอันที่สองคือการปฏิบัติบูชาหมายถึงเอาจิตของเราเอากายของเรามาบูชาโดยการทําจิตให้มันตื่นให้มันรู้ตัวอยู่ภายในเนี่ยปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาเราตาาคตอย่างแท้จริงเนื้อการบูชาทั้งปวงนี่แหละเนื้อการบูชาทั้งปวง การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดนี่บูชาบูชาพระเจ้าประเสริฐที่สุดเลยปฏิบัติบูชาด้วยมันยิ่งสูงที่สุดประเสริฐที่สุดทีนี้เราก็ต้องอพยายามสีวิตปฏิบัติชีวิตเรามันก็เหลืออีกไม่นานแล้วนี่นะมันก็จะตายกันถ้ารู้ตัวว่าจะตายอ่ะก็ค้นขวายก็ดีกว่าปฏิบัติปรับชีวิตเราใหม่เลยอยู่เพื่อปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนี้มีคุณค่าทันทีเลยนะเอาแค่ว่ามีชีวิตอยู่ไปได้ แล้วขอให้ได้เดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราเป็นคนหลงทางมืดมัวละหกละเหินอยู่ในวัตฏะสงสารเนี่ยมาชาตินี้เหมือนกับพบรอยเท้าพระพุทธเจ้าอุ้ยท่านเดินไปทางนี้ท่านเดินไปทางนี้ท่านเดินไปทางนี้แล้วจะเอาไหมอ่ะจะเอาหรือเปล่าหรือแค่เด่ว่าท่านเดินไปทางนี้กูจะเดินไปทางอื่นก็แล้วแต่มึงเนีมึงอยากเดินก็เดิน นี่ยให้มันรู้ทางเดินว่ามหาบุรุษผู้ประเสริฐสุดสร้างบารมีมาจนบริบูรณ์สมบูรณ์เพื่ออะไรกันก็เพื่อปฏิบัติตัวเองจนไม่มีทุกข์ในจิตใจพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์ไม่อทุขเกิดเราตายตายเอาอะไรไปไม่ได้แล้วจะไม่จดไม่จําไม่เข็ดไม่หลับเลยเหรอโอหนี่เรามันไม่เชื่อผู้เจ้ากันเลยเหรอเอาให้มันถึงใจบ้างสิทางเดินของชีวิตตอนนี้ต้องเจริญขึ้นอย่างเดียว มีคำสอนพระเจ้าเป็นแสงสว่างเป็นปฏิปนำทางเราเอาอย่างนี้เลยให้มันเด็ดขาดลงไป